หากใครนึกเสียงอยู่ในใจตนเองว่าเมตตาแล้วแต่ก็ยังถูกเบียดเบียนอยู่ดีก็ให้ตัดเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบทิ้งยิ่งต้นเหตุด้วยยุให้เหมือนครั่งก็ยิ่งเป็นการฝึกแบบชั้นสูงเราจะเอาเป้าหมายเดียวคือเมตตาจิตฉะนั้นต้องละจากการจองเวรได้ความคิดว่าแค่โกรธก็เป็นเวรทางใจแล้วให้อภัยเป็นทานเสีย ผ่านขั้นยากไร้เทไรก็ยิ่งเป็นอภัยทานชั้นเลิอดขึ้นเท่านั้นเมื่อสำรวจแล้วว่าเราให้ทานเป็นการอภัยออกมาจากแก่นแท้ภายในแล้วก็จะมีความสุขความสงบเย็นพันตายเห็นก็ดูตามจริงว่านี่คือลักษณะของเมตตาจิตล็อกไว้อย่างนั้นเป็นองค์ภาวนาได้เช่นกัน สรคือใช้ชีวิตประจําวันนั่นแหละในการเจริญเมตตาภาวนาเบื้องต้นตราบใดที่เรายังต้องคิดต้องเจรจาต้องมีกรรมตอบโต้กับชาวโลกตราบนั้นคือโอกาสในการเจริญเมตตาภาวนาของเราทั้งหมดลองระลึกในทุกขณะว่าเมตตาเป็นด้านหัวของเหรียญพยาบาทเป็นด้านก้อยของเหรียญเราพลิกด้านหนึ่งขึ้นมาอีกด้านหนึ่งก็หายไปทันที ตัวที่ปริกจากความคิดไม่ดีเป็นคิดดีกับผู้อื่นนั่นแหละตัวเมตตาอันเป็นที่รู้สึกได้ชัดระลึกไว้ง่ายๆอย่างนี้จะสำรวจความคิดคำพูดและการกระทำของตนเองอย่างถนัดขึ้นถ้าคิดเป็นเมตตาไม่ออกก็อาจอาศัยเครื่องช่วยทางกายตัวจุดชนวนเช่นหัดนึกถึงรอยยิ้ม ของพระปติมาแล้วยิ้มมุมปากนิดหนึง่งกำหนดจิตเจาะไว้กับอารมณ์ของจิตที่ระบายยิ้มเหมือนกับพระปติมานั้นจะมีกระแสะสงบเย็นหลังมาชลมให้หยุดพลานคิดพลานโกรธใชได้อีกอุบายหนึ่งที่อยู่คนเดียวก็ให้หัดไหวความโกรธใชบ้างโกรธเมื่อไหร่ก็ไหวเมื่อ น, นั้นตั้งใจไหวตัวความโกรธ เพื่อให้เกิดการยอมหรือเกิดความอ่อนน้อมหักล้างกันหนึ่งครั้งคือหนึ่งแต้มยิ่งสะสมแต้มมากเพียงใดก็จะเห็นผลชัดเพียงนั้นลองดูจะเห็นผลจริงว่าถ้านับได้เป็นร้อยเป็นพันแต้มแล้วจิตใจจะนุ่มนวลเยือกเย็นลงอย่างน่าประหลาดใจกา ร, จรนเจริญเมตตาโดยอาศัยสมาธิจิต ในเดวิชสูตรพระสุตตันตปิฎกเล่มที่หนึ่งพระพุทธองค์ตรัสกวาเสษฐะตอนหนึ่งมีความว่านิวรเป็นทุกข์เป็นโทษและอุบายลักทางง่ายที่สุดก็คือให้รู้เข้ามาตรงตรงถึงภาวะของนิวร อ, อย่างเช่นเมื่อตระหนักว่าพยาบาทกำลังครอบงำจิตก็ให้พิจารณาเปรียบเทียบว่าดูกระวาเสตะ เปรียบเหมือนผู้ป่วยหนักบริโภคอาหารไม่ได้และไม่มีกำลังกายสมัยต่อมาเขาพึงหายจากความป่วยไข้นั้นบริโภคอาหารได้และก็มีกำลังวังชากลับเกินมาเขาจะพึงในความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นผู้ป่วยถึงความลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้และไม่มีกำลังกายบัดนี้เราหายจากอาภาษนั้นแล้ว บริโภคอาหารได้แล้วก็มีกำลังกายเป็นปกติดังนี้เขาจะพึงได้ความประโมทถึงความสมนัดโดยความไม่มีโรคนั้นเป็นเหตุฉันใดเหมือนความป่วยจิตที่เห็นโทษแห่งพยาบาทอย่างแจ่มชัดถ้าเลิกพยาบาทได้ก็จะปลอดโปร่งโล่งสบายกินอิ่ม น, นอนหลับเหมือนหายป่วย พอเห็นข้อดีชัดเจนเข้าจิตก็จะละพยาบาทอย่างไม่เสียดายเหมือนถมเสศจออกจากปากคอเมื่อทิ้งได้ก็จะบังเกิดสมนัตอันพร้อมน้อมมาใช้แผ่เมตตาชั้นสูงต่อไปขอให้ทดลองน้อมพุทโธบายนี้ไว้ให้จริงก็จะเห็นว่าได้ผลกว่าการพยายามข่มใจฝืนใจเอาทื่ทอๆอย่างชัดเจน ข้อสำคัญคือตอนเริ่มต้นของการดึงสติลงมาถึงจิตให้ได้เ่าคือเลิกมองบุคคลหรือสถานการณ์ที่ทำให้โกรธแต่พลิกเปลี่ยนมาดูความอึดอัดเห็นความอึดอัดได้ชัดๆและรู้ตามจริงว่านั่นเหมือนโรคร้ายโรคทางกายยิ่งร้ายแรงเพียงใดเมื่อหายจากโรคจะได้ก็ยิ่งปิติมากยินดีมากเพียงนั้น ให้แลกกับเงินทองเท่าไรก็ยอมแน่แล้วเช่นเดียวกันให้มองยิ่งกว่าโกรธมากเหมือนเป็นไปได้ยากที่จะละความโกรธก็แปลว่าตอนนั้นป่วยทางใจอย่างหนักหากหายป่วยเสียได้ปิติสมนัสย่อมแรงได้ส่วนกันต้องแลกกับอะไรก็คุ้มเช่นกันซึ่งสิ่งที่ต้องแลกในที่นี้ก็คือการยอมอภัย เท่านันเองสำคัญคือจิตคิดอภัยจิตปลอดโปร่งจากการจองเวร น, นั้นเกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้เดี๋ยวเดียวถ้าขาดเหตุปัจจัยเหนียวรั้งไว้ก็ย่อมหายอย่างรวดเร็วการกําหนดล็อกสภาพปลอดโปร่งไว้จึงจําเป็นและถ้าหากวิธีล็อกของเราผิดแทนที่จะอยู่ก็อาจจะกลายเป็นความอึดอัดเสียแทน วิธีที่ถูกต้องคือกำหนดจิตแผ่ความสุขแผ่ความปลอดปรงจากเวรภายนั้นไปตามทิศ ต, ต่างๆดังพระพุทธองค์ตรัสเป็นแนวไว้ในเตวิชสูตรดังนี้เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าเหล่านี้ที่ละได้แล้วในตนย่อมเกิดปราโมทเมื่อปราโมทแล้วย่อมเกิดปิติเมื่อมีปิติในใจกายย่อมสงบ เธอมีความสงบกายมีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตนั้นย่อมตั้งมั่นเมื่อมีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกกล่าวและทุกสถาน ด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไพยบู์ถึงความเป็นใหญ่หาพิมานหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เราโดยวิเคราะห์การดำเนินจิตเข้าสู่การแผ่เมตตาอย่างนั้นเป็นตอนที่ทำได้ดังนี้ 1. สําสำรวจว่าจิตยังมีพยาบาทอันเป็นนิวรณ์ชนิดหนึ่งหรือไม่หากรู้แก่ใจว่ายังมีพยาบาท ให้ละสิด้วยความคิดเปรียบเทียบพยาบาทเหมือนโรคคิดว่าถ้าจิตเป็นอิสระจากพยาบาทก็เหมือนหายจากโรคคิดให้น้อยแต่รู้ตามจริงให้มากสองประคองรู้จิตอันประกอบด้วยเมตตามันไว้สักครู่หนึ่งแล้วจึงเริ่มแผ่เมตตาออกเริ่มจากทิศหนึ่งคือเบื้องหน้าทิศสองคือเบื้องขวาทิศสามคือเบื้องซ้าย ทิศสีคืองเบื้องหลังแล้วก็แผ่ไปยังเบื้องบนเบื้องล่างด้านทะแยงจากนั้นชำนาญและจึงกำหนดจิตแผครอบครุมทุกทิศร้อมกันคือแผ่ไปตลอดโลกเป็นการแผ่สุขให้อย่างไม่เลือกหน้าไม่เลือกพบเลือกภูมิว่าเป็นมนุษย์สัตว์เทวดาอื่นๆลิ้มรถความวิเวกอันเกิดจากความไร้เวรัย ตั้งมั่นในระดับที่เรียกว่าอปมัญญาสมบัติบางคนอาจสงสัยว่าอุบายวิธีแผ่เมตตาของพระพุทธเจ้าคงต้องรอให้โกรธหรือคิดพยาบาทมาตร้ายใครเชก่อนกระมังจึงจะถือเอามาใช้เป็นบทเริ่มต้นได้ความจริงแล้วก็เหมือนคนเริ่มที่จะทำสมาธิด้วยวิธีสำรวจศีลของตนเองทีลข้อว่าไหนทราบชัดว่าศีลของตนสะอาดบริสุทธิ์ ไม่บกพร่องก็ย่อมเกิดประโมทเกิดปิติสงบสุขอยู่ในความผ่องแผ้วอันเป็นคุณลักษณะขณะนั้นแห่งจิตตนทํานองเดียวกันนั้นเมื่อสำรวจว่าจิตเราปราศจากความดริก่อเวนปราศจากความคิดเบียดเบียนใครเมื่อนั้นกระแสเมตตายอ่อมรินรดอยู่ภายในให้สำเหนียดได้กาหนดเป็นตัวตั้ง เพื่อให้แผ่ออกไปตามทิศ ต, ต่างๆได้สำหรับการกำหนดจิตเพื่อแผ่ออกไปนั้นอาศัยปัจจัยหลักสามประการเป็นฐานเริ่มได้แก่หนึ่งจิตอันประกอบด้วยเมตตาดังกล่าวถึงวิธีปฏิบัติแล้วขั้นต้นถ้าปราศจากสติกำนดรู้ลงมาถึงจิตอันปลอดเวรภัยเป็นอันดับแรกก็ได้ชื่อว่าเค้ือนต้นแผ่เมตตาผิดพลาดแล้ว กระแสรู้สึกออกมาจากแกนกลางภายในจะต้องไม่เหลือวิเวลพยาบาทไม่มีความกดไม่มีความเครียดหากรู้ตัวว่ายังมีความฝืนเป้นบังคับก็อาจจะใช้อุบายทางวิปัสนาคือดูตัวโกรธที่มีในจิตกระทั่งตัวโกรธหายไปเหลือลักษณะจิตอย่างไรก็กำหนดไว้อย่างนั้นไม่มีเวรไม่มีภยัย ข้อสองทิศทางแห่งการแผ่เมตตาขอให้กำหนดเป็นเบื้องหน้าก่อนเพราะเป็นธรรมชาติการมองด้วยสายตามาทั้งชีวิตจึงง่ายกว่าทิศอื่นทั้งหมดต่อไปเมื่อแผ่เมตตาได้เป็นปกติถ้ากำหนดใจแผ่เมตตาผู้ใดผู้หนึ่งก็ถือว่าผู้นั้นเป็นทิศของการแผ่เมตตาหากเน่นก็จะมีพลังมากพอที่จะสัมผัสจิตถึงจิตได้ โดยไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่าแท้จริงแล้วเขาอยู่เหนือใต้ออกหรือตกของเราข้อสามระยะของการแผ่เมตตาเริ่มต้นควรมีระยะที่แน่นอนเพื่อให้จิตรู้ว่าควรกำหนดไว้แค่ไหนแรกทีเดียวควรเป็นหลักสอถึงห้าเมตรหรือระยะระหว่างสายตากับผนังห้องทั่วไป ด้วยองค์ประกอบทั้งสามประการข้างต้นพอจะลาดับขั้นตอนได้ง่ายๆคือให้นั่งตัวตรงสบายๆสำรวจแน่ใจแล้วว่าจิตประกอบได้เมตตาชัดอยู่ในกระแสรู้สึกก็ให้ทอดมองออกมาจากกระแสรู้สึกนั้นตรงไปยังเป้าหมายใกล้าตาเบื้องหน้าอาจเป็นเสาอาจเป็นจุดใดจุดหนึ่งบนผนังขอให้จับที่เดิมไว้ได้โดยไม่ก่อความคิด อันเป็นนิวรใดๆขึ้นก็แล้วกันมองเป้าหมายนิ่งๆสักสองถึงสามวินาทีแล้วปิดเปลือกตาลงโดยที่ยังรักษาอาการท้อตาจับนิ่งๆแบบไม่เพ่งจนเกินไปขณะเดียวกันโฟกัสก็ไม่เลื่อนไหลไปมาในตาลุกหลิกแล้วกำหนดความรู้สึกมาที่กระแสเมตตากลางอกอัน ไม่คับแคบเป็นจุดเล็กๆแต่คลุมอยู่ในความรู้สึกทั่วถึงจากนั้นแนบกระแสเมตตาเป็นอันเดียวกับอาการทอดสายตาตรงคือถึงระยะและทิศเบื้องหน้าออกมาจากจิตที่ปลอดป่งจากการจองเวนเบาโล่งเพราะพ้นจากการคิดเลียดเบียนจะเห็นคล้าย ตัดความผูกโยงกับประสาทตามาที่กลางอกเหมือนเปิดแพอกโล่งและกระายรัศมีมีสุขออกไปตรงๆขอให้รักษาทิศทางและระยะไว้ให้ดีเพียงตั้งมั่นไม่นานก็จะสำเนีจถึงอาการที่จิตล็อกอยู่กับกระแสสุขอย่างชัดเจนหาไม่แล้วจิตจะขาดทิศทาง และระยะย่อมจะกระจายออกหรือว่าวนๆอยู่ในตัวทำให้ขาดความตั้งมั่นอย่างรวดเร็วขอให้สังเกตการแผ่ที่ผิดพลาดให้ทันตั้งแต่เบื้องแรกคือถ้ารู้สึกคันๆออกไปตึงขมับหรือเกรงส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นอาจเป็นเพราะเราเพ่งมากเกินไปที่ถูกต้อง มีเตียงกระแสสุขที่ศาสตร์ตรงออกไปโดยประสจากความเครียดแล้วก็มีสติรู้ตั้งงั่นอยู่ที่กลางๆางคล้ายเรานั่งมองผนังมองฟ้าเพดานมองนกมองไม้อย่างประศจากความคาดหวังไร้ความคิดไร้เจตจำนงใดๆทั้ทงสิ้น จิตเริ่มทรงตัวอยู่ในกระแสสุขประกอบด้วยทิศเบื้องหน้าและระยะใกล้จนชานาญแล้วจะเหมือนจิตแสวงความโล่งเป็นระยะไกลขึ้นเองเพียงกําหนดรู้ตามรัศมีสุขเริ่มขยายออกไปสติก็จะดําเนินตามพัฒนาการของการแผ่เมตตาที่มีแต่ทิศเบื้องหน้าเป็นกําหนดแต่ขอบเขตจํากัดไม่มี คร้ามองขอบฟ้าลิบโลกหรือไปไกลถึงอ น, นันต์เพียงประคองไว้ให้ได้สักหนึ่งนาทีเดียวจิตก็จะดึงดูดไปสู่ความมั่นคงระดับอุปจาระสมาธิมีปิติเย็นวิเวกแปลกกว่าสุขแม้ในสมาธิทั่วไปขอให้ฝึกจนกระแสมั่นคงในทิษเบื้องหน้าแล้วจิตรู้กระแสเมตตาอันเป็นนามธรรมว่าต่างหาก จัดกายแล้วไม่ผูกกับสายตาแล้วจึงค่อยย้ายมาฝึกแผ่ไปทางทิศเบื้องขวาคล้ายเงี่ยวหูฟังเสียงแห่งความสุขด้านขวาโดยที่สายตายัางตั้งตรงและก็มีระยะที่แน่นอนใกล้ตัวก่อนเมื่อสามารถตามกระแสเมตตาได้จนเหมือนไกลถึงขอบฟ้าด้านขวา จึงเป็นอันใช้ได้หากทำทางทิศเบื้องหน้าชํานาญแล้วจะเห็นการกําหนดทิศด้านข้างง่ายได้และก็รวดเร็วมากเมื่อได้ด้านขวาชํานาญก็ฝึกกําหนดด้านซ้ายเมื่อฝึกด้านซ้ายชนานาญก็ให้ลองกําหนดแพร่ซ้ายขวาพร้อมกันจะมีกระแสแพรออกเบื้องหน้าโดยอัตโนมัติและจะแพรรัศมีไปได้ไกลเองตั้งแต่เริ่มต้น ไม่จำเป็นจะต้องกําหนดระยะสั้นเพื่อให้ล็อกง่ายอีกเมื่อสามารถแผ่สามทิศได้พร้อมกันจะเหมือนมีกระแสสุขเป็นตัวเป็นตเนตเด่นชัดขึ้นให้รู้สึกได้และจิตจะรักความไม่มีเวรไม่มีการเบียดเบียนคือไม่อยากเป็นศัตรู ก, กับใครไม่อยากทะเลาะเบาะแวงกับใครและเหตุการณ์ในชีวิตก็เหมือนจะเริ่ม เข้าข้างกระแสเมตตาภายในเราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตออกมาจากข้างในสําหรับการแผ่ทงทิศเบื้องหลังนั้นยากกว่า3ทิศแรกเหตุเพราะมนุษย์เรามีอายตนะส่งจิตออกมากระทบวัตถุเป็นสายตาซึ่งเล็งไปเบื้องหน้าและเป็นแก้วหูซึ่งเล็งไปทางด้านซ้ายขวา การที่จะกำหนดแผนเมตตาทางทิศเบื้องหลังจำเป็นจะต้องอาศัยความรู้สึกในแผ่นหลังประกอบกับการคลายเงี่ยวหูฟังเสียงเงียบแห่งความสุขจากด้านหลังนึกเฉยโดยไม่ต้องกำหนดกระแสเมตาก่อนก็ได้เมื่อแน่ใจแล้วว่านึกเป็นจึงค่อยกำหนดกระแสเมตตาประกอบการนึกย้อนหลังดังกล่าวหากเป็นไปตามลำดับก็จะพบว่า ไม่ยากเย็นนักเมื่อกำหนดแผ่เมตตาได้ถึงขอบฟ้าเบื้องหลังสำเร็จเชือเหมือนเปิดจิตโล่งไปได้ทุกพิษทุกทางไม่จำกัดกับทั้งทำจิตให้ ได้ดุลตรงกลางไม่นักเกินไปด้านหน้าหรือด้านข้างอย่างเมื่อแรกจากนั้นทิศเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องเฉียงทั้งหมดก็ไม่เหลือวิสัยอีกเลยจะเหมือนมีกระแสเมตตาหลั่งรินออกมาตลอดเวลาโดยไม่ต้องกำหนดพฤติกรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการคิดพูดหรือว่าทำ ก็ถูกล้อมไว้ด้วยทะเลเมตตาจากจิตนั่นเองอั น, นิสงส์ทั้งสิบเอ็ดประการตามที่พระพุทธองค์ตรัสแสดงก็จะปรากฏชัดให้ทราบได้อย่างประศจากข้อกังขาขอให้ระลึกว่าจิตจะรวมเป็นดวงจริงๆเมื่อเราไม่เพลินหลงจับกระแส ส, สุขในทิ่ใดคิดหนึ่งแต่มั่นคงอยู่กับใจกลางแห่งการรู้ไม่ฟูไม่ลิงโลดไปกับกระแสปิติจนเกินไป ความมีสติอยู่ตรงกลางแห่งการรู้นั้นจะเป็นผลเป็นสุขที่เนียนและไม่สม่ำเสมอและไม่มีระลอกเคลื่อนปิติกระโดดไปกระโดดมาเป็นห่วงห่วงถึงตรงนั้นของแถมที่ตามมาอันอย่างทราบ ได้เองอาจจะเป็นการรู้ว่าเมตตาอันเป็นรัศมีจิตของเรากาลังใหญ่มีกำลังใหญ่โทรศสตร์และพยาบาทของคนรอบข้างมีกำลังน้อยถูกกรบกลืนด้วยสนามพลังเมตตาของเราโดยง่ายก็จะเป็นการช่วยผู้อื่นให้พ้นนรกในอกได้อ้อมอ้อมและอาจจะเป็นสื่อน้มเข้ามาเข้ากระแสที่ถูกต้องต่อไป หากใครมีไฟร้อนอยู่ในบ้านเรือนก็อาจดับด้วยจิตของตนนี้เองปกติจิตคนเราถูกกักขังด้วยความคิดในหัวเหมือนมีกรงขังเล็กๆในโพรงกระโหลกเมื่อเริ่มแผ่เมตตาจึงอาจรู้สึกว่ายากแต่เมื่อแผ่เป็นก็จะเห็นความเคยชินเก่าๆ เ, เริ่มแปรไป คือจิตเหมือนเป็นอิสระออกมาจากกรงขังนิ่งสบายอย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนับเป็นการเกื้อกูลต่อการปฏิบัติสติปัฏฐานได้อีกทางหนึ่งนักภาวนาที่ประสบปัญหานอนไม่หลับเพราะตาแข็งจากสมาธิอาจเช่นชมอณิสงของการแผ่เมตตาเป็นพิเศษเมื่อนอนงายปิดตากำหนดสุขในอกแผ่ออกไปอย่างทิศเบื้องบน อาจจับแค่ระยะเพดานห้องก่อนนอนหรือจะเป็นด้านขังขอไปค่ะเป็นด้านข้างก็ได้และแต่ถนัดถ้าจ็ตล็อกนิ่งแล้วหลับลงในอาการนั้นจะมีแต่ความสุขสบายและเหมือนเข้าสมาธิอยู่แบบกึ่งเคลิมกึ่งรู้ตัวถึงจะตื่นเร็วเกินเหตุก็เป็นการนอนหลับเต็มตาไม่เมื่อยล้าภายหลังอย่างไรก็ตาม ความสุขความสว่างแจ้งในเมตตาเป็นรสอันยากที่จะเปรียบตรงนี้ก็จะต้องย้อนกลับไปดูวิธีพิจารณาสุขเวทนาในหมดเวทนานุปัสนาดีๆเพื่อความไม่ยึดติดจนเกินไปขอให้ระลึกว่าเราแผ่เมตตาเพื่อผลคือละพยาบาทเป็นหลักไม่ใช่เป็นตัววัตถุประสม์อื่นนอกเหนือไปจากนี้ได้ของแถมอะไร ก็ถือว่าทําเล่นเป็นบางโอกาสแต่ถึงขนาดเพลินสุขไปโดยไม่ได้ใส่ใจกําหนดรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาของกายเวทนาจิตธรรมไปอุบายกําจัดความง่วงเหงาซึมเศร้าวความแตกต่างระหว่างหดหูกับม่วงเหงาซึมเศร้าดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าความหดหูเป็นหนึ่งในสาเหตุของความม่วงเหงาซึมเศร้า จึงสรุปได้ว่าความหดหู่กับความง่วงเหงาซึมเศร้าไม่ใช่อาการเดียวกันแต่สืบเนื่องเป็นเหตุเป็นผลกันความหดหู่มักจะเป็นอาการของจิตที่ยังไม่ถึงขนาดทอดตัวลงยอมแพ้แต่ความง่วงเหงาซึมเศร้านั้นมักเหมือนมีพลังแม่เหล็กส่งจากเตียงมาดึงดูดให้ไปนอนท่าเดียวเรียกว่ากายเหมือนพยศไม่ยอมทำงาน ไม่ยอมถูกใช้เป็นเครื่องมือปฏิบัติธรรมอีกต่อไปการภาวนาและง่วงนั้นโดยมากมาจากการกำหนดจิตไว้ผิดฉะนั้นหากแก้ได้ที่ต้นเหตุผลก็จะเป็นความตื่นรู้ไม่ง่วงง่าย ขอให้สังเกตดีๆโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่นิยมความง่ายในการปฏิบัติมักจะเข้าไปจอดูภาวะจิตขณะที่กำลังเรียบเรียกเฉยๆแล้วก็เข้าใจว่านั่นคือการดักดูอนิจจังผลในระยะยาวมักเป็นจิตที่เฉยชาหรือเย็นชาหรือฝักใฝ่ในการหลบอารมณ์พอเจออารมณ์กระทบแรงๆจะดูไม่เป็น โดนอะไรแต่ละทีจะมีราคะโทสะหรือโมหะกำเริบหนะักหากเป็นแบบนี้ก็ให้เปลี่ยนมุมมองเสียเวลาจิตเฉยเฉยก็ให้หาอารมณ์หยาบมาแทนเช่นรู้ว่าหายใจออกหรือเข้ารู้ว่านั่งสงบหรือมีส่วนใ ด, ก ร, ดกระดุกกระดิกอย่าปล่อยให้เกิดอาการดูจิตใจตัวเองแบบเรื้อเฉยต่อไปอีก แล้เมื่อเกิดผัสสะกระทบจะแรงหรือเบาก็ตามที่กระทำอาการของจิตให้กระจนจากภาวะเรียบเฉยพยานขึ้นตอบผัสสะนั้นๆค่อยให้ถือว่านั่นเป็นจังหวะที่จะดูเวทนาหรือสภาวะจิตดูที่ปฏิกริยาทางจิตรูแบบให้หลงตามกระทบก็จะหายเฉยได้ในที่สุด และจะไม่ถูกความง่วงครอบงำจากการปฏิบัติผิดๆอีกเรียกว่าเป็นการแก้ต้นเหตุการภาวนาที่ผิดพลาดโดยตรง mm hmm. ตั้งแสดงแล้วว่า mm hmm. หนึ่งในเหตุแห่งความง่วงเหงาเสื่อมสารคือความไม่ยินดีและความเกียจคร้านไม่คิดก้าวไปข้างหน้าฉะนั้นหากใครทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งสำเร็จมีความชอบใจในกรรมฐานนั้นๆ ยิ่งฝึกมากยิ่งมีใจยินดีอยากพัฒนาจิตให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆนัเวื่อแก้ปัญหาเรื่องความม่วงเหงาซึมเศร้าได้แบบเบ็ดเสร็จเหมือนคนพร้อมที่จะตื่นเช้าเพื่อลุกขึ้นมาทำงานที่ตัวเองรักมากๆอยากเห็นความก้าวหน้าในงานนั้นๆมากทุ่มกายทุ่มใจเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ยอมทั้งวันไม่ม่วงเหงาหานอนเลยแต่หากขยันแข็ง ขันแข็งฝึกรู้ฝึกดูกายเวทนาและจิตอย่างถูกต้องแล้วยังคงง่วงชนิดที่ทำให้นั่งสมาธิสปงกหรือว่าเดินจงกรมปัดเตีหรือแน่นิ่งนานไปแล้วมืดซึ่งแปลว่าหลับรมข้ามกับรวมดวงสว่างเป็นตื่นรู้อันนั้นก็ต้องมาดูที่อุบายกำจัดที่พระพุทธองค์ประทานไว้บ้าง ขอให้ระลึกไว้ล่วงหน้าว่าถ้าทำตามอุบายอย่างถูกต้องแล้วหลุดจากการครอบงำของความง่วงได้ก็จะมีคุณภาพจิตที่ดีกว่าเดิมสติดต่นเต็มที่กว่าเก่าเสมอพุทธโตบายแก้ง่วงขณะบำเพ็ญภาวนาจากโมคคลานาสูตรพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สิบา้าพระพทุทธองค์ประทานแนววิธีกับพระโมคคลานะ ขณะนั่งสมาธิและเผลอสะพนงค์ง่วงดังนี้เมื่อเธอมีความหมายรู้อย่างไรอยู่แล้วทำให้ความง่วงครอบงำได้เธอพึงทำไว้ในใจซึ่งความหมายรู้นั้นให้มากข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงได้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติของผู้ภาวนาเมื่อเริ่มหัดทาสมาธิคือสัดส่วนที่ผิดพลาด ในการกำหนดรู้อารมณ์เช่นแทนที่จะรู้ลมหายใจสบายๆกลับไปตั้งใจเพ่งบังคับหรือไม่ก็ปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นมือสติขาดหายไปจากลมหายใจการเพ่งหรือการเผลอก็ดีกำลังจิตที่อ่อนเกินกว่าจะรักษาสภาพที่รู้ก็ดีนานไปล้นเป็นที่มาของความม่วงเหนาดซึมเศร้วทั้งสิ้น ลองใช้อุบายของพระพุทธองค์คือพลิกจิตนิดนึงเปลี่ยนท่าทีจัดยอมให้จิตคล้อยตามอาการหมายรู้ในปัจจุบันให้กลายเป็นอาการใส่ใจตัวความหมายรู้นั้ น, น, นเป็นพิเศษไม่ใช่เพ่งเกินเหตุต้องทำอยู่บนความสงบไม่เร่งรัดหรือคาดหวัง